พระราชพิธีสัมคัญในการเสด็จถ데งทวนลัยยาราชสมบัติเป็นพระมหาศัทพระองค์ที่สิบแห่งพระบรมาราชจักกรีวงร่วมกันเข้าเฝ้าทุล่าอองธุรีภาบาทพระบาท 555041uta1 1. พระเผ็จพระวชิระเกลาวเจ้าอยู่หัว‑สมเด็จพระนางเจ้าสุถิดาพระชระสุท Samurang ه Богат хiraman Pool Season 3. และถ mains b 和เย็จพระพอร์ เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวรพยุหายาตราทางชลมากในพระราชพิธีบรมาราชาพิเศคเบื่องปลายวันที่12ฐนวาคมศกนี้พระราชพิธีบรมาราชาพิเศคพุทธศกราชซ่องพัน562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ R M U T T Farm Shop ทางเข้าหมอเตอร์รถทันยบุรีศูนย์รังสิต ท, ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเจ็ดนาฬิกาขัดสั่งคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี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 280-750 ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันทั้งโปรเจ็กเตอร์จอดทีวีขนาดใหญ่และวายไฟความเร็วสูงสอบทามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร 092318-9887 หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation Knowledge Center ส่วนนวัตกรรมและความรู้ฉัน7ส่วนการค้าบ่างซื้อจังฉันวิทยุราชมงคุณธัญญาปุรีเออแฟมแปดสการจุดห้าเมกะเฮิร์สเทคโนโรยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรูเรื่องคอมรายการคอมท<อ> <Today S 1> ุเดยนานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจันทรัสุภาแสงคลิกไป ใ, ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์สต์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยจันทรัสุปแสงนะครับปกอกกมิงหรือพี่มิงคอมทูเดย์นะครับกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเช่นเดียวกับทุกๆสัปดาห์นะทุกวันจันทร์และอังคารนะครับช่วงเวลาประมาณนี้แหละที่เราจะเจอกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สิบเจ็ด ใช่ไหมฮะ17ใช่นะฮะ17พฤศจิกายนก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะถึงคอมมานด์เวิร์ค2019นะครับจัดที่เดิมคือศูนย์การประชุมไบเทคบางนาแมจะแหงชาติอีกแหละศูนย์การประชุมไบเทคบางนานะครับก็อย่าลืมแวะเวียนไปเจอกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อถัดไปก็คงจะเริ่มมีไฮไลท์จากงานมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้นะครับเราจะมากันแบบเน้นๆยำๆกับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ เป็นปัญหาเป็นคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับเราจะมาคุยกันว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งไปผู้ประกอบผู้ประกอบการเนี่ยเขาเอาไปรีไซเคิลหรือว่ามันมีอะไรกันบ้างสำหรับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะครับเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่รอบตัวเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟน power bank สายชาร์จโอ้โหสารพัดเลยซึ่งต้องยอมรับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ มันมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเมื่อเราไม่ออกไปใช้ต้องเรียกว่าอย่างนี้เมื่อเร า, เาไปใช้คือถ้าใช้ก็ไม่มีปัญหาแต่วันที่เราไม่ใช้แล้วเร า, เอาไปทิ้งเอาไปอะไรเงี้ยมันเป็นอยัางไงต่อนะครับเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้านะครับที่มีคำถามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าโทรศัพท์ที่ไม่เอาและมือถือที่ไม่เอาแล้วเนี้ยต้องไปทิ้งที่ไหนนะครับก็คำถามนี้ยังเกิดขึ้นกับหลายหลายคนในยุคปัจจุบันและน่าเศร้ายิ่งขึ้นไปที่คนไทยส่วนใหญ่เนี้ยไม่แม้แต่จะตั้งคำถาม ด, ด้วยซ้ำไป ไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าควรทิ้งที่ไหนนะฮะแต่เพราะว่าไม่แม้แต่จะสนใจว่าใครจะจัดการกับโทรศัพท์เครื่องที่เราไม่ใช้หลังจากที่มันกลายเป็นขยะไปแล้วนะครับความไม่รู้ความไม่ตระหนักพร้อมกับความมักง่ายนี้นะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยโยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไปในถังขยะทั่วไปโดยเลือกทิ้งจากถังที่ถูกใจไม่ใช่ถังที่ถูกต้องจรึงอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะพยายามหาความรู้และทำความเข้าใจ แต่สุดท้ายก็มักจะทิ้งมันไว้โดยหวังว่าจะมีใครมาจัดการต่อเองส่งผลให้ปลายทางของอ、e、ีเวสอีเวสก็คือพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นกองขยะมูลฝอยตามครัวเรือนนะครับหลังจากที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละชุมชนเนี่ยถูกทิ้งประปนกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลหรือว่ากรุงเทพก็ควรจะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดโดยการฝังกบและส่งไปโรงงานเผาต่อไปซึ่งการนำไปเผาทำลายนี่นะครับก็จะทำให้เกิดควันพิษซึ่งผลส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ร, รวมถึงระบบนิเวททั้งในระยะยาวและระยะสั้นนะครับการกำจัดด้วยวิธีการฝังกรบก็อาจจะทำให้เกิดการรั่วไหลาของสารพิษและอาจทำให้ตกค้างอยู่ในแหล่งน้ำพื้นผิวดินหรือแหล่งดินใต้ดินปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมระบบนิเวทและห่วงโซ่อาหารก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่ แวดล้อมชุมชนและสุขภาพของเราในที่สุดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าถึงไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมี e-waste อีกส่วนหนึ่งที่ถูกเก็บและเรียกคืนโดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรีไซเคิลนะฮะโดยเราสามารถแบ่งผู้ประกอบการที่ทำกิจการเกี่ยวกับการกำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มผู้ผลิตที่มีกระบวนการรีไซเคิลเพื่อจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง กับอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มบริษัทผู้ประกอบกิจการรีไซเคิลโดยเฉพาะซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาร่วมทุนนะครับทางนี้นะครับผู้ประกอบการต่างชาติบางรายที่เข้ามาทำธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลที่เต็มรูปแบบและมีความพร้อมมากพอนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็หลายปีแล้วแหละเขาบอกว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ทำกิจการเกี่ยวกับการจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ยี่สิบสองแห่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยาภาคใต้ท OTH ทีฮะมีเพียงภาคละหนึ่งแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่พบโรงงานรีไซเคิลที่รับจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรงงานคัดแยกบอมบัดและกำจัดซากผลิตภัณฑ์ มีจำนวนน้อยและก็ไม่เพียงพอนะครับโรงงานส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะทำให้การขนส่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกและก็ยังไม่มีโรงงานที่มีกระบวนการถอดแยกหรือว่ารีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจรอม่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วในกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยผู้ประกอบการเหล่านี้จะนำผลิตภัณฑ์ที่เสียยังไม่หมดอายุการใช้งานไปซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งส่วนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วจะถูกนำไปคัดแบ่งประเภทแยกชิ้นส่งไปยังโรงงานแปรรูปทั้งในและต่างประเทศเพื่อแปรรูปวัตถุดิบพวกนี้ให้กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนเศษวัสดุที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะถูกนำไปจัดการต่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับทำให้ ไม่มีส่วนไหนของ E-waste ที่จะถูกทิ้งและก่อให้เกิดบุหรี่พิษกับสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์เรานะครับแล้วในประเทศไทยนะครับปริมาณของ E-waste ในทุกๆปีกับมีแต่เพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นจนหน่าตกใจนะครับเพราะว่าระบบในการคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่เนี่ยยังไม่ดีพอทำให้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ถูกใช้ในวันนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งในวันหน้าโดยที่ไม่ได้รับการเอามารีไซเคิลนะครับจากสถิติของกรมควบคุณมมลพิษในทุกปีเขาบอกว่าในทุกๆปีเนี่ยปริมาณซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทยมีแนาวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3,057,000 ตันในปี2555เพิ่มขึ้นเป็น 3,084,233 ตันในปี2558นะครับ ในปี2559พบซากโทรศัพท์มือถือมากที่สุดด้วยจำนวน 10.9 ล้านเครื่องนะฮะรองลงมาคืออุปกรณ์เล่นภาพหรือว่าเสียงขนาดพกพาจำนวน 3.57 ล้านเครื่องส่งผลให้มีให้ปี2564ซึ่งก็อีกสองปีข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะพบซากโทรศัพท์มือถือจำนวน 13.42 ล้านเครื่องและอุปกรณ์เล่นภาพรักเสียงเนี่ยพกพาตัวเนี้ยจะพบอีกประมาณ 3.65 ล้านเครื่องหากเป็นชิ้นนี้ต่อไป <c oughs> ภายในระยะเวลา 5-10 ปีประเทศไทยต้องประสบ ป, ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ขั้นวิกฤตแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เลยกลับมาต้องมาทบทวนว่าจะทำอยัางไงนะครับ ซึ่งข่าวดีก็คือที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐแล้วก็เริ่มมีการดำเนินการในส่วนนี้เพื่อการขับเคลื่อนอันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเช่นให้ความรู้ระดมลงเรื่องการจัดการคัดแยกขยะประเภทนี้รวมถึงการจัดตั้งยุทธศาสตร์การจัดสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มีนาคม2558เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเมืองไทยนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกต่อไปพี่มิ้งก็จะมาพูดถึงขยะเลตุนิกในประเทศไทยเนี่ยอันตรายที่อาจจะเปลี่ยนโลกนี้ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายั ย, า ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม AMUT moving towards innovative university. ใはรいันนะใค ร,、ね、ใครที่พい時間、長い時間、長い時間、งทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านค長ช่างไรเหตุผลいริงい時間、長い時間、長い時間、長い時間、เป็นคนไมีชืไ่อ長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時間、長い時 信じ、anyway, てないよ。<reach> 僕、えっと、の心の声 を, いののを聞て い, いをてくれมありがとตใช่ไหม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 シンバイ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่และพันธุ์บัวที่ชนะการประกวดในเวทีระดับโลกอีกมากมายบนพื้นที่กว่ายี่สิบไรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Activity in Museum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 เกิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ3โมงจั้นถึงสุขโทร 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรี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 มีคำถามนะฮะจากหลายๆคนที่มักจะถามกันเกี่ยวกับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการอย่างไรนะครับเมื่อไรที่ได้ยินประโยคนี้ถึงแม้มันจะดูฟังไกลตัวแต่หัวใจของเราก็มักจะพองโตขึ้นเล็กน้อยด้วยความหวังเสมอว่าความหวังที่ว่าสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นและโลกของเราเนี่ยก็คงจะสดใส มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับประโยคนเหล่านี้ผ่านเข้ามาในหูของเราบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้นวัตรกรรมต่างๆอยู่ห่างกับเราในระดับที่ใกล้กว่าที่คิดนะครับทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเราทุกคนมักจะติดตามเรื่องราวและข่าวสารของมันอยู่เสมอเฝ้าเรอเวลาให้ถึงวันที่มันจะมีตัวรุ่นใหม่มาถึงมือเรานะฮะแล้วก็ซื้อมันมาใช้ ตลอดเวลาที่เราหลงละเมอไปกับความรวดเร็วความสะดวกสบายของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเรามักจะไม่ได้สนใจกับสิ่งที่โยนทิ้งไปเลยแม้แต่น้อยก็คือสนใจอันใหม่ลืมของเก่านะครับและตรงนี้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหากพูดถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกนำเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจมันน่าจะอยู่ที่ตรงอิเวสกับผลเสียต่อร่างกายว่าหลังจากที่เรา ทำมันไม่ดีเนี่ยเก็บมันหรือกำจัดมันไม่ดีมันจะเป็นยังไงเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล่วงหล่นจากมือของเราไปแล้วเนี่ยมันจะถูกเรียกด้วยชื่ออันส่วยหรือว่าอ、e、ีเวสหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทของขยะที่ยังไม่มีนิยามชัดเจนนะฮะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นขยะจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลโทรศัพทพ์มือถืออะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ มันก็จะทำลายสภาพแวดล้อมอย่างแน่นอนนะครับการจัด ก, การที่ไม่ดีความรู้กฎหมายที่ยังไม่มีในประเทศไทยเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผู้ใช้งานผลิตภพัณฑ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความตระหนักแต่อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงเวลานี้เราก็คงจะต้องเริ่มหันกลับมาทำให้คนไทยแล้วคนที่เสพพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยหันกลับมาตระหนักในเรื่องของการ ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันพอเจาะก็คือพอเหมาะพ อ, จอเพอพอจาะแล้วก็เริ่มทำให้มันเกิดสิ่งแวดล้อมดีๆเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยปัญหามากมายเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการนำมาผลิตการใช้งานการทิ้งการเก็บรวบรวมซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกยังไม่รวมถึงปัญหาที่ต้องเจออีกมากมายในอนาคตก็คือผลกระทบนั่นเองนะครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชั่วโมงคนทันยิบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University เซรนล้านนาทีต่อไปนี้ไม่มีใครเทียมทั้ ง, ทงเธอจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันโยกให้เธอ じゃあ、ピンポン、来週に行って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 เชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชมงคลฮัญญิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท 02-592-1999 เรียนดีดกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะราชมงคลพระนาครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปีสี่ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่าห้าหมื่นบาทสมัครได้แล้ววันนี้ถึงสิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองสอบถามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Girls Kiss Award หรือโทรศูนย์สองหกหกห้าสามเจ็ดเจ็ดเจ็ด แล้วพบกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ต มาดูนะครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ทิ้งไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เก่าจำนวนมากนะครับถูกเก็บไว้ในให้เป็นฝุ่นเกาะเพื่อรอการนำมาใช้ใหม่การรีไซเคิลหรือการกำจัดทิ้ง กระซุงคุ้มคลองสิ่งแวดล้อมนะฮะของอเมริกาประมาณว่าสามในสี่ของคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกขายไปแล้วในอเมริกาจะถูกกองรวมกันอยู่ในโกดังที่เก็บต่างๆนะครับเมื่อถึงคราวที่ต้องโยนทิ้งพวกมันจะถูกนำไปเผาเอ่อไปฝังกรดไม่ใช่เผานะฮะหรือไม่ก็เข้าเตาเผ า, า, าขยะและเมื่อเร็วๆนี้นะครับยังมีการส่งออกมาที่เอเชียด้วยที่ฝังกรดขยะซึ่งเราคงได้ยินข่าวตรงนี้นะฮะ จากข้อมูลของกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐใ น, ในปีพศ2543ก็บอกว่ามากกว่า 4.6 ล้านตันของขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกฝังกรอบในอเมริกาสารเคมีที่อยู่ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับอาจล่วงไหลายลงพื้นดินหรือแพร่เข้าสู่บรรยากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงประเทศต่างในยุโรปได้ออกมาออกมาตรการห้ามนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไปฝังกรอบเพื่อเนื่องจากมันมีองค์งประกอบของวัสดุที่เป็นพิษ แต่ในหลายประเทศนะครับก็ยังมีการฝังกลบขยะเช่นนี้ต่อไปยกตัวอย่างเช่นฮ่องโกงประมาณกันว่าร้อยละสิบถึงยี่สิบของคอมพิวเตอร์ที่ถูกทิ้งจะถูกนำไปฝังกลบนะฮะ มาที่เตาเผาขยะบ้างเขาบอกว่าการเผาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโลหะหนักไม่ว่าจะเป็นตระกัว่วแคสเมียนและสารปรอทเข้าสู่ชั้นบรรยากาศกลายเป็นเท่าฐานสารปรอทที่แพร่เข้าสู่บรรยากาศเนี่ยก็จะสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะในตัวปลาซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่สารปรอทไปสู่คนทั่วไปถ้าสินค้าชนิดนั้นมีส่วนประกอบของพลาสติกพีวีซีก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารไดออกซินคลายและสาร ฟิลเลนสารทนไฟซึ่งทำให้โบรไมน์ก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารโบรโบรไมเนตไดออกซิเดและสารฟิลเลนเมื่อมีการเผาขยะอิเล็กทรอนิกชนิดนั้นนะครับการนำมาใช้ใหม่การนำไปใช้ใหม่เนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีสุดเพื่อยืดอายุของสินค้าสินค้าเก่าหลายชิ้นนะครับถูกส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาแม้ว่าประโยชน์ของการนำสินค้าเก่ามาใช้ใหม่ยังไม่ชัดเจน แต่การนำสินค้ามือสองมาใช้ก็ทำให้เกิดปัญหาแรงๆขึ้นมาแล้วเพราะว่าหลังจากใช้งานไม่เพียงไม่นานสินค้ามือสองเหล่านี้ก็จะถูกทิ้งและดูเหมือนว่าประเทศที่นำเข้าต่างก็ไม่มีความสามารถในการจัดการกับขยะเหล่านี้ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นอันตรายนะฮะเขาบอกว่ารีไซเคิลแม้ว่าการรีไซเคิลจะเป็นวิธีที่ดีการนำวัสดุสินค้าเก่ามาใช้ใหม่แต่ในขณะเดียวกันในกระบวนการรีไซเคิลก็อาจจะทำให้คนงานได้รับอันตรอันตรายจากสารเคมีใน กองขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วยรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอาจจะเป็นเรื่องสารที่มาอาจจะตกค้างหรือว่ามันแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อในเบรกหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทำอยัางไงกันบ้างนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม AMU T Moving Towards Innovative University 夜空中の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜ล้風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、ั空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風กは、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景น夜้の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、夜空の風景は、 ごう一度来るかんこれを再次訂 どうしてもいいです。 オッパー。 パパクワブラシンバイソンランドンハンプライブラパーラウイライガン もう一度、私はここに来てくれてありがとうございます。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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ่าย3โมงจนถึงสุกโทร 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th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 พร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา 12.00 นถึง 13.00 นที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีจังหวัดปฐุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นาณาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับการรีไซเคิล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีโรงงานรีไซเคิลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับโดยมีมาตรการณควบคุมอย่างเข้มงวดยกตัวอย่างนะเช่นในประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยจะไม่มีการรีไซเคิลพลาสติกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารไบโบอะไรนะโบไมเนตฟิวเลนและก็สารไดออกซินเข้าสู่บรรยากาศ แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาไม่มีมาตรการควบคุมเช่นนี้การแยกขยะเพื่อรีไซเคิลทำการตามแหล่งทิ้งขยะต่างๆและหลายครั้งก็จะมีเด็กๆหนั่นแหละเป็นคนมาแยกขยะนะครับการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งออกจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลังพั ฒ, พฒนาเป็นประจำและหลายครั้งก็ได้ละเมิดอนุสัญญาบรัสเซล จากการตรวจสอบท่าเรือ18แห่งในยุโรปเมื่อพศ2548พบว่าขยะมากถึงร้อยละ47ซึ่งรวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกส่งออกไปอย่างผิดกฎหมายและในปีพศ2546เฉพาะอังกฤษเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 23,000 เมตริกตันถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีการระ บ, บุว่าเป็นสินค้าประเภทใดไปยังตะวันออกไกลไม่ว่าจะเป็นอินเดียออฟริกาและจีนในอเมริกาก็ประมาณกันว่าร้อยละ 50-80 ของขยะที่ถูกลบรวมเพื่อการรีไซเคิลก็จะถูกส่งออกไปในลักษณะเดียวกันแต่การทำเช่นนี้นะครับถือว่าถูกกฎหมายเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาบรัสเซอริลกับเขาด้วยนะครับมาที่จีนแผ่านดินใหญ่นะครับก็พยายามปกป้องการค้าเช่นกันด้วยการออกกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปีพศ .2543 อย่างไรก็ตามนะครับตามกรีนพีชพบว่า กฎหมายเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้จริงจังโดยยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกส่งมาถึงเมืองเมืองกุ้ยหยูมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์รวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีนอยู่ดีนะอยู่ดีกรีนพีซยังพบว่าในอินเดียเนี่ยมีปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเฉพาะในเมืองเดลีมีคนงานสองหมื่นห้าพันคนที่ทำงานตามแหล่งทิ้งขยะซึ่งต้องคัดขยะแยกขยะถึงวันละแสนถึงสองแสนตัตนต่อปีนะฮะไม่ใช่วันละปีละ โดยเราละ25ของขยะเหล่านี้เป็นคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองมิรุตเฟโรซาบเซโนบังการ์ลและบูมโบก็เป็นอีกแหล่งที่เขาเอาไปทิ้งกันนะครับซึ่งในทศวรรษปี1990นะฮะรัฐบาลในประเทศส ห, าสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและบางรัฐในอเมริกาเนี่ยก็มีการจัดตั้งระบบรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแต่ในหลายประเทศไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยเป็นปัญหานะฮะ ความต้องการของขยะในความต้องการของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียเริ่มมีมากขึ้นนะฮะเนื่องจากคนงานในแหล่งนี้ทิ้งขยะต่างๆเพบว่าเขาสามารถคัดแยกขยะสารที่มีค่ามออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นทองแดงเหล็กซิกกลิคอนนิกเกิลและทองคำในระหว่างกระบวนการรีไซอเคิลยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง ครึ่งก็จะประกอบด้วยทองแดงลอยละสิบเก้าถึงลอยละแปดนั่นเองนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เขาจะเอามาขวียกันเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนะครับช่วงต่อไปพี่มิ้งจะมาพูดถึงเรื่องของ ข, องขยะอิเล็กทรอนิกส์กับโตเกียวสองศูนย์สองศูนย์ว่าเกี่ยวข้องกันอยัางไงครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชวโมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University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 เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฮัญญิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท 02-592-1999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 มาฟังกันต่อกับเรื่องของขยะนะแต่รอบนี้ขยะจะมีแหวลูและหมูลค่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิกพาราลิมปิกโตเกียว2020จากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าขยะอาจถูกมองว่าเป็นของไร้ค่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ในความเป็นจริงแล้วขยะสามารถนำกลับมาสร้างหมูลค่าได้อีกมหาศาลเหมือนอย่างแรงอย่างงานมหากรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นที่กลุ่มโตเกียวในชื่อว่าโตเกียว2020นะครับซึ่งทางคะณะกรรมการผู้จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าจะนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลแท็บเล็ตเก่ารวมถึงเกมพกพามาผลิตเป็นเหรียญรางวัลนักกีฬา ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง น, นะครับคณะผู้จัดการมหากรรมโตเกียว2020เนี่ยร่วมร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่นโตเกียวเริ่มต้นกระบวนการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมารีไซเคิลผลิตเป็นเหรียญรางวัลตั้งแต่ปี2017โดยรวบรวมทั้งจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งแล้วก่อนหน้านี้บวกกับประชาชน ญ, ญี่ปุ่นนะครับได้นำของเหล่านี้มาบริจาค มอบให้ทำให้เดือนพฤศจิกา ย, ยน2018สามารถรวบรวมได้แล้ว 47,488 ตันโอ้โหเยอะทีเดียวนะครับ โดยตั้งเป้าหมายวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหรียญอยู่ที่ 30.3 กิโลกรัมเหรียญเงิน 4,100 กิโลกรัมและเหรียญทองแดง 2,700 กิโลกรัมซึ่งเวลานี้วัตถุดิบสำหรับวัตถุดิบสำหรับรีไซเคิลเนี่ยก็ได้ตามเป้าหมายแล้วนะฮะขณะที่เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับรวบรวมวัตถุดิบใช้ผลิตเหรียญทองได้แล้วถึง 90% เหรียญเงินได้ 85% ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะฮะทั้งนี้แนวคิดของการนำขยะอิเล็กโทรอนิกส์มาผลิตเป็นเหรียญรางวัลนักกีฬาเคยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในงานมหารกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกรีโอล์2016ในครั้งนั้นวัตถุดิบ 30% ที่นำมาผลิตเหรียญเงินทองแดงและ เ, เหรียญทั้งหมดเนี่ยมาจากขยะอิเล็กโทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีเทคโนโลยีสุดล้ำการออกแบบใหม่เร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค เปลี่ยนเครื่องที่ขึ้นกับพบว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาพยายามจะหาหนทางในการเอามารีไซเคิลนะฮะและเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับญี่ปุ่นก็เซอร์ไพรส์ต่อด้วยการนำขยะจากซีอนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011เนี่ยมาสร้างเป็นครบเพลิงในงานโอลิมปิก2020โดยนะฮะพูดไง่ายว่างานนี้ญี่ปุ่นกะจะให มันได้ทั้งภาพทั้งกล่องและเงินด้วยนะครับฟังแล้วก็อยากจะไปดูจังเลยว่างานโอลิมปิกจะเป็นยังไงที่นู่นนะฮะก็มีแผนเหมือนกันปีหน้าว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าจะหลังจากช่วงที่เขามีโอลิมปิกนะฮะเพราะโอลิมปิกมันจะมีช่วงน่าจะ ก, กระกฎาคมถ้าจะไม่ปิดกรดกฎาคมสิงหาแถวนั้นนะฮะพี่มิ้งก็ไปช่วงปลายปลายปีหน้านะครับอ่ะ ฟังเกี่ยวกับเรื่องของขยะกันมาตั้งแต่ต้นช่วงของรายการก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลคอนเทนต์กันพอสมควรแล้วนะครับพรุ่งนี้พี่มิ้งจะนำเรื่องเกี่ยวกับเอ่อสตรีมมิ่งซึ่งตอนนี้โอ้โหดุเดือดดุเด็ดเผ็ดหมันมากทั้งเรื่องของสตรีมมิ่งบูวี่สตรีมมิ่งมิวสิกนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าปัจจุบันนี้แต่ละค่ายเขามีจุดเด็ดหมัดคุกกันยังไงซึ่ง ก่อนหน้านี้นพี่มิ้งก็เคยเล่ามาแล้วแต่นั่นเป็นเรื่องแค่ราคาแต่คราวนี้เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบสนุกๆพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับเวลา ว, วันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเออาร์ไอพีจำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 U, はい、シュウィッチマンカーターマンクリードーマイティカーターユクジャイティマンユーシャウマセンヨナダラナティティポンティパンクランロコーン ีเธありがとうございました。 「3枚びて」 キャタコミミミヤカチカチタイ ラクシャン、コメンワーミーフォンフロイフライ。やぼうヘイトラルー、チハイチャイユー、プライアンミーチャー、ネチャイ。ローミーミーミー、ワーマイ、チャ それでもさき、うころあの中どんなりかなでも揺るきなに想い心にすもあなただけずっと、まにたい、ときらま